เดี๋ยวขอท้าความเรื่องเมื่อเช้านี้นิดหนึ่งเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องของการเจริญศีลใช่ไหมพูดถึงในเรื่องของเจต น, า, นจาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกรมศีลแล้วก็มาพูดถึงเชื่อมลงในปาติโมกสังวรลศีลทั้งหมดก็คือพูดเรื่องกุศลศีล น, นั่นเองทีนี้อย่างที่ได้บอกไว้แล้วว่าพวกเราเวลามา ฝึกในการที่จะทำให้กุศลและศีลเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยความเข้าใจเนี่ยสำคัญมากความเข้าใจในการที่จะขับเคลื่อนตัวกุศลธรรมทั้งหลายให้บุกฝ่าไปข้างหน้าการที่เราจะสามารถบุกฝ่าทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นได้เนี่ยประเด็นอย่างที่ได้บอกไว้ว่าถามว่าการเจริญศีลเนี่ย ที่จะทําให้ศีลเกิดขึ้นมาจากเจตนาที่เราสมาทานและการตั้งใจใช่ไหมความจงใจตั้งใจที่จะทําให้กุศลศีลเกิดขึ้นเราก็มาสมาทานศิกขาบท8ประการนี่เล่นหนักเลยเพราะบอกว่าสมาทานตั้งใจในการที่จะทําให้กุศลศีลก็คือศิกขาบททั้ง8คําว่าศิกขาบทคําว่าศีลคําว่าวินัยใช่ไหมที่ว่าพูดเมื่อเช้า เดินตามวินัยฝึกตามสิกขาบทเข้าสู่ความเป็นผู้มีศีลสิกขาบทแปลว่าข้อใช่ไข้อฝึกใช่อย่างเราสมาทานสิกขาบทแปดประการใช่หมนั่นแหละแปลว่ามีอยู่แปดสิกขาบทในแปดสิกขาบทก็คือว่ามีเจตนาที่จะละปานาติบาตเว้นขาดจากการฆ่าการเบียดเบียนทั้งหลายเป็นต้น ในขณะที่มีเจตจำนงมีความจงใจที่จะละจากปนานปฏิบาตรละจากการฆ่าระจากการเบียดเบียนต้องทำให้จิตเป็นไปกับกรุณาและเมตตาไ ห, ไหมเป็นไม่เป็นเจตจำนงในความจงใจตั้งใจที่จะละปนานปฏิบาตเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วในชีวิตเราเนี่ยเราเป็นนักฆ่าไหมเรามีจิตคิดฆ่าใครไหมมีไม่มีมดก็ไม่เคยคิดฆ่าเลย ยงก็ไม่เคยคิดฆ่าเลยใช่ไหมแล้วยังโกรธไหมออไอ้ตัวโกรธนี่แหละเขาเรียกเป็นตัวตัดรากของกุศลศีลอะไรเป็นรากของกุศลศีลฮิริโอตปะความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปเป็นรากของกุศลศีลไหมเป็นด้วยเป็นขันตีเป็นไหมคารุณาเป็นไหม ก, กุ่ศลธรรมทั้งหลายที่เป็นตัวทําให้กุศลศีลเดินไม่สะดวกที่ถ้าตัวนี้ขาดไปในกุศลศีลจะเกิดขึ้นได้ไม่สะดวกฉะนั้นสรุปแล้วเราจะเจอตัวโทสะจิตเนี่ยคอยตัดรอนกุศลศีลอยู่อย่างต่อเนื่องอย่าแปลกใจว่าทําไมตัวกุศลศีลจึงไม่เจริญงอกงามเนาะทีนี้เอาละ การที่เราจะทําให้ตัวกุศลศีลนั้นเจริญไพ่บูรณ์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเมื่อเราได้เข้าใจในกระบวนการของศีลเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมาเดินในชีวิตจริงเราก็มาพูดถึงในเรื่องของสัพพะทักกกรรมฐานหรือเรียกว่าอารักขากรรมฐานก็เรียกว่ากรรมฐานที่ทําหน้าที่มาอารักขากระแสชีวิตหรือรักษากระแสชีวิตไม่ให้กระแสชีวิตนั้นน่ยต้องดําเนินไปอย่างผิดพลาด ก็เลยต้องอัญเชิญกรรมฐานสี่ประการใช่ไม่ตามหลักที่บอกว่าพุทธานุสติเมตตามรณ า, านุสติแล้วก็อสุภาษกรรมฐานแต่ในที่นี้เราจะขับเน้นตัวเมตตากรรมฐานเอามาเดินเอามาฝึกให้เกิดได้ในชีวิตจริงให้ได้เรามีเวลากันจำกัดมากถือว่าเราเนี่ยอาถารกันมากนะ <laughs> ที่อาถานในการที่จะมาฝึกเมตตาภายในระยะเวลาสี่วันครึ่งเนี่ยให้สำเร็จผลเนี่ยแปลว่ามีความอาถรรพ์แกล้ากล้ามมากไม่เชื่อถามท่านอาจารย์มหาสุรัตน์ดูสิ่ไกว่าท่านจะเอาโทสะลงเนี่ยท่านต้องใช้เวลาขนาดไหนฉักเราบอกอาถรรพ์นะสี่วันครึ่งนี่จะต้องจัดการกับโทสะให้ได้ใช่ไหมทีนี้มาดูก่อนว่าเมตตาเนี่ยนะ อยู่ในหลักของพรหมวิหารเนี่ยที่เราจะทําให้มีให้เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะไล่ลําลดับให้ดูเรื่องศีลยังมีข้อกังขาอย่างข้อกังวลว่าเรายังเดินไม่ได้ไหมมีไห ม, มไม่มีแล้วมั้งถ้าไม่มีเอาไว้ตอนท้ายๆไว้ตอนสอบถามนะทีนี้จะพูดถึงในเรื่องของเมตาก่อนเมตตาเนี่ยเป็นภาษาบาลีนะแปล มาจากคาว่าแปลว่าความรักความปรารถนาดีอนั้นธรรมชาติที่เรียกว่าเมตตาเนี่ยแปลว่าธรรมชาติที่ธรรมชาติที่เป็นเป็นอยู่ในมิตรบางทีคำอาจะมาจากคำว่ามิตรตาทราบว่าเมตตาเนี่ยแปลวความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนนะอย่าไปแยกสับลาบากที่ประเด็นก็คือว่า ไม่ความรักที่เป็นเมตตาเนี่ยที่บอกว่าท่านยกตัวอย่างว่ามารดาเนี่ยหรืออริยชนก็ดีสหายก็ดีท่านเหล่านั้นต่างปรารถนาให้บุตรของตนเองเนี่ยรอดและปลอดภัยท่านก็เลยยกตัวอย่างว่าความรักของเมตตาของมารดาที่รักบุตรเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามันสมมันเป็นสภาพที่เมตตาได้ง่ายกว่าความรักระหว่างหนุ่มสาวก็เลยแยกกันว่ามเมตตามีเมตตาแท้และเมตตาเทียม สิ่งที่เราควรเจริญก็ต้องเจริญเมตตาแท้ๆให้เกิดขึ้นมากระแสในกระแสชีวิตให้ได้เพราะถ้าเมตตาเทียมเนี่ยมันเป็นอกุศลถ้าเมตตาเทียมมันเป็นมันเป็นอะไรโลภะรักแบบตันหาตันหากับเมตตามันต่างกันนะต่างกันตรงไหนว่าเวลาลักระหว่างเพศหนุ่มสาวอันนี้เห็นได้ชัดหน่อย ว่ารักแบบตันหามันรักต้องการที่อยากจะให้สิ่งที่เรารักเนี่ยมาตอบสนองตอบสนองอะไรตอบตอบสนองอัตตาตัวตนอย่าลืมนะว่าตัวตันหานี่มันมีสุขเวทนาเป็นเป้าประสงค์มันมีสุขเวทนาเป็นเป้าประสงค์มันมีอัตตาตัวตนเป็นศูนย์กลางและมันมีโมหะคือความมืดบอดเนี่ยอยู่เบื้องหลังมีความไม่รู้นั่นเอง เคยรักแบบตันหาไหมถ้ารักแบบตันหาเนี่ยมันต้องการอยากจะให้สิ่งที่ตนเองรักนั้นน่ยมาตอบสนองเรารักใครที่ให้เวทนาแก่เราให้สุขเวทนากับเราเราจะรักสิ่งนั้นทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าเวลาเราจะกินอาหารเนี่ยถ้าอาหารที่เราจะกินนั้นไม่ให้สุขเวทนากับเราเนี่ยเราอยากกินไหม เสื้อผ้าที่เราใส่ถ้าไม่ให้สุขเวทนากับเราเนี่ยเราอยากจะใส่ไหมคนที่เราไปอยู่ใกล้ถ้าคนคนนั้นน่ไม่ให้สุขเวทนากับเราเนี่ยเราอยากจะอยู่ใกล้ไหมเห็นไหมว่าจริงๆตัวตันหาเนี่ยต้องการสุขเวทนาที่จริงสุขเวทนาเป็นกุศลก็มีนะแต่ถ้าตันหามันจะเข้าไปยึดติดในสุขเวทนาก็คือต้องการอยากจะเสพเสพสวย น, นั่นเอง ฉะนั้นมองตรงนี้ก็คือว่ารักเทียมเนี่ยมันเป็นการรักที่มันต้องการอย่างยกตัวอย่างเช่นสามีภรรยารักกันเนี่ยเวลาเราสามีก็ต้องการให้ภรรยามาปนเปรอมาตอบสนองภรรยาก็ต้องการให้สามีมาปนเปรอมาตอบสนองอัตราตัวตนต้องการสีที่สวยๆเสียงที่พราะๆกลิ่นที่อหอมๆรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆต้องการอยากจะให้บุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องนั้นมาตอบสนอง มาบำรงบำเรออัตตาเรามาให้สุขเวทนาของเราเนี่ยเราถึงท้อต้องการถามว่าเวลาเราอยู่กับภรรยาอยู่กับสามีเนี่ยเราเคยวางความต้องการของเราลงไหมถ้าเราวางความรักความต้องการของตนเองลงโยนความต้องการทิ้งแล้วก็มองถึงความประสงค์คือความต้องการของคนที่อยู่ด้วยถ้าอย่างเนี้ แปลว่าอะไรนะแปลว่าเราไม่ได้มีตันหาเป็นตัวไปกำกับแต่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะให้คนที่เรารักเนี่ยเขาสมปรารถนาเป็นแบบนั้นไหมจริงจริงทำยากไหมสมมติเราอยู่กับแม่เวลาเราอยู่กับแม่เนี่ยหมอป่วยเออแม่แม่ป่วยไปหาหมอเอายามาแม่ไม่อยากกินยาแม่ไม่อยากกินน้ำแม่ไม่อยากกินอาหารที่หมอบอกเราทุกข์ไหม ทำไมถึงทุกข์เหตุที่ทุกเพราะว่าเรามีความหวังมีความต้องการอยากจะให้แม่หายอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าแค่ระบบแบบนี้เราก็จัดการไม่ถูกจัดการไม่ถูกก็คือว่าเราอยากจะบังคับให้แม่เป็นไปตามความต้องการของเราแต่ถ้าวางแบบนี้ได้ไหมสมมตินะเราบอกแม่หนูรักแม่นะ ถ้าแม่ต้องการอยากจะหายจากโรคภัยแค่เจ็บแม่ก็กินยากินอาหารกินน้ำหรือตื่นอย่างที่หมอบอกแต่มันทำยากแต่ถ้าแม่ไม่ต้องการแม่ก็กินตามที่แม่อยากจะกินหนูยอมรับในในการกระทำของแม่ทุกอย่างแต่ใจหนูอยากจะให้แม่อยู่กับหนูนานๆสมมติ ถ้าระวังท่าทีทางใจไม่เอาความอยากหรือทิฐิของเราหรือความเห็นของเราไปกากับถ้าเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ทำยากไหมทั้งๆที่เป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำฉะนั้นความรักเทียมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในชีวิตของพวกเราเนี่ยมันจะเป็นเมตตาเทียมที่เกิดขึ้นนะทีนี้ถ้ารักแท้ล่ะความรักความปรารถนาดีเนี่ยไอตัวเมตตาเนี่ยมีความรักความปรารถนาดี เป็นเป็นลักษณะต้องการอยากจะหยิบยื่นประโยชน์และความสุขสิ่งที่ดีงามให้กับบุคคลที่เรารักหรือบุคคลทั่วๆไปเพราะว่าตัวเมตตาในลักษณะของเขาก็คือรักปรารถนาดีเอื้อทอรอความรักมันเกิดที่ใจใช่ไหมเวลาเราแผ่ไม่ตีจิตแผ่ความรักหรือว่าคิดถึงใครเนี่ยตัวเมตตาเนี่ยความรักความปรารถนาดีมันไปด้วยสมมติเรามองมาที่พระเนี่ย เวลาเรารักหรือปรารถนาดีต่อพระเนี่ยความคิดจะคิดยังไงจะคิดว่าขอให้ท่านจงมีความสุขขอให้ท่านมีอายุยืนขอให้ท่านจงหมดทุกข์ขอให้ท่านคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาเราเราเราการคิดอย่างนี้หรือใจที่มันออกมาจริงๆเป็นเป็นได้ไหมเป็นไปได้ไหมฉะนั้นเมตตาเวลามันเกิดขึ้นมาเวลาเขาทํากิจขึ้นมาเขาก็จะทํากิจอย่างนี้คอยขจัด ขจัดอะไรเมตต า, า, ากตออ็เป็นปฏิบักษต่ออะไรเป็นปฏิปักษต่อโทสะเวลาเกิดขึ้นมาเขาจะทํากิจในการคอยทําลายโทสะหรือปิดกัน้นไม่ให้โทสะนั้นไหลเข้าสู่จิตเมตตาจะเป็นแบบนี้ทีนี้ลักษณะของเมตตาก็มีความรักความปรารถนาดีถ้าหากเมตตาเนี่ยเกิดขึ้นมาทํากิจปุ๊บเมตตาก็จะทําลายโทสะทําลายความเครียดทําลายความหงุดหงิดแปลว่าอะไรรู้ไหม ถ้าเมตตาเกิดขึ้นตัวสภาวะธรรมที่เกี่ยวกับอโทสาความไม่โกรธเกิดขึ้นเนี่ยแดดร้อนโกรธไหมก็จะไม่โกรธก็จะมีการยอมรับได้เพราะมีปัญญาเข้าไปรู้ก็แล้วเข้าใจเหมือนอย่างเงี้ยถ้าเราย้อนไปตัวสังวรนะมันจะเชื่อมโยงกับศีลอยู่ข้อหนึ่งเขาเรียกขันติสังวรเคยได้ยินคํานี้ไหมขันติสังวรเนี่ยตัวองค์ธรรมของเขาได้แก่อโทสาคือสภาวะที่ไม่โกรธ ตัวขันตีสังวอมันจะยอมรับได้ยกตัวอย่างเช่นวราอากาศร้อนมันจะยอมรับไว้ว่าเออเนี่ยถ้าเป็นนักบวชเขาจะพิทันจะพิ จ, จารณาว่าในสังสารวัตรเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตบบางอัตภาพเราเคยเกิดเป็นสัตว์นรกในอเวจีในอเวจีร้อนกว่านี้หนอ เหตฉนไหนความร้อนประเภทประเภทแค่35 40หรือ40องศา42องศาทำไมเราจะทนไม่ได้ฉะนั้นเราจะไม่ให้โทสะหรือความเครียดหรือความโกรธมากุมรุมในใจเราอย่างเด็ดขาดเราจะตั้งมั่นด้วยความยอมรับในสิ่งที่เป็นได้ด้วยปัญญาขวนขวายไม่ให้กุศลเนี่ยหลุดไปจากกระแสชีวิตภาคเพียรพยายามในการทำกุศลให้เกิดขึ้นติดต่อและต่อเนื่องเพื่อในการจะฝึกตนเองให้เข้าสู่ศีลสมาธิโดยเฉพาะเข้าสู่ปัญญา แล้วก็ดับกิเลสซึ่งเป็นเหตุถึงการเวียนว่ายตายเกิดนี้ให้ได้พอพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เลยยอมรับได้ด้วยปัญญาแบบนี้ก็คือขันติสังวรเกิดใช่ไหมอันนี้ระดับศีลนะเนี่ยนี่ระดับศีลนะก็เลยไม่ล่วงละเมิดออกมาทางพฤติกรรมทางกายทางวาจาก็เลยกลายเป็นศีลก็ไม่ไม่หลุดออกมาเพราะถ้าโกรธแล้วด่าออกมาล่วงละเมิดได้ ย, ยังล่วงละเมิดมาทางวาจาแล้วโกรธแล้วก็เออวอยวายมาทบน้นทบนี้ออกมา เห็นไหมมันพฤติกรรมทางกายทางวาจาหรือว่าล่วงละเมิดในในทางที่ผิดทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นกายยุสเจริตวจีทุจริตที่ละเมิดออกมานี่แปลว่าอะไรแปลว่าล่วงละเมิดศีลแล้วแต่เห็นไ้มว่าตัวตัวโทสะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกทําลายด้วยอัโทสะมันถูกละได้ดวยอัโทสะถูกละด้วยสภาพของธรรมะกุศลธรรมทั้งหลายที่มีอัโทสะมีกําลังเด่นก็เลยไม่โกรธก็เลยยอมรับได้จะมองว่าเป็นขันติสังวรเนี่ย ก็ยอมรับได้การที่ยอมรับได้เพราะอะไรใช่ขันติตัวเดียวไหมมีปัญญาด้ไหมมีปัญญาที่ไปคิดอ่านไปวิจัยแยกแยะเห็นความจริงตามพระธรรมคาสอนของพระเจ้าที่บอกว่าเบื้องต้นและที่สุดในสังสารวัฏเนี่ยอันบุคคลรู้ไม่ได้เราเคยเกิดเป็นสัตว์นรกเคยเจอความร้อนอย่างสาหส า, าการมาแล้ววาระนี้เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์แล้ว เราจะทําความโกรธให้พุกพานขึ้นมาแล้วไปทํากรรมชั่วกรรมอัลามกแล้วในส่วนจริงแล้วก็ไปจมอยู่ในอบายทุกติวิธิบาสนรกไม่ควรแก่เราเลยเนี่ยอกรณีแบบนี้มันได้ได้ปัญญาเกิดขึ้นพอปัญญาปัญญาก็เลยมาชําระศีชลชําระกุศลศีลให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดเมื่อสะอาดบริสุทธิ์หมดจดไอตัวขันติสังวรความยอมรับได้ด้วยปัญญาก็เลยเกิดขึ้นมานี่ขันติอย่างนี้หรือไปเจอความหนาวเหน็บนะ ถึงฤดูหนาวหนาอีกแล้วเครียดโกรดจะบ่นออกมาจะดา่ามาจะว่ามาหรือจะทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกมาเพราะความหนาวเป็นเหตุก็พิจารณาว่าสังสารวัตเบื้องต้นและที่สุดอันรู้ไม่ได้เนี่ยเราเคยเกิดในโรกันตรินีนรกเคยเกิดเป็นสัตว์นรกประเภทหนึ่งที่อยู่ความหนาวต้องเกาะอยู่บนในถ้ำมืดมิดเกาะเกาะไปมีเล็บยาวตัวยาวทั้ง ตั้ง12กิโลเมตรสี่คาวุฒิเนี่ยนะ12กิโลเมตรเกาะเกาะเพราะจับกันได้ก็จับกันกินบางทีก็ตกลงไปก็ตกเข้าสวยน้ําแข็งเย็นละเยะะียดไงกระดูกกระดูกพังหมดเลยมันเจ็บปวดในสังสารวัตรด้วยความหนาวเหน็บขนาดนั้นน่ะก็เคยเป็นมาแล้วในสังสารวัตรฉะนั้นเราเจอความหนาวเพียงแค่นี้เราจะมาทําระเมิดทําให้กุศลทําให้ศีลพัทงทลาย ทำให้บาปอกศุศลกรรมมันชั่วร้ายมันประชมในกระแสชีวิตแล้วก็ไปทํากรรมอันลามกจึงไม่ควรแก่เราเลยพอพิจารณาอย่างนี้ เ, เสร็จปุ๊บก็เลยยอมรับได้ด้วยปัญญาอย่างนี้ขันติสังวรเกิดหรือยนะังสภาพจิต ท, ที่ไม่โกรธไม่เครียดเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมว่าข้อมูลความรู้ตรงเนี้มันเป็นกุญแจสําคัญในการที่จะทําให้เราเดินกุศลได้โดยชนิดที่ไม่ให้บาปอกศุศลกรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายมันประชมุม อ้าวแนี้มันไม่ใช่แค่นั้นในสังสารวัตรเนี่ยมันเจอยงกัดลิ้นกัดแล้วก็เหลือบมแมลงวันไอ้ อ, อย่อยู่เนี้ยหรือนะฝนตกก็มแมลงเม่าหรือมดอะไรต่างกัดเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันก็เครียดอีกดเดี๋ยวน้าคิดยังไงถ้าเครียดโกรธขึ้นมาก็ไปประทุสร้ายไปบี้ไปฆ่าเขาเอา้าวไปพิจารณาละเมิดอีกสิกขาบทมีศีลเป็นต้นก็ละเมิดอีกให้พิจารณายัางไงก็พิจารณาว่า เบื้องต้นและที่สุดอันรู้ไม่ได้เราก็เกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นวัวควายปัดป้องได้ที่ไหนก็โดนเหลือบโดนยุงโดนอะไรกัดตลอดทั้งวันต้องมันต้องใช้หนังมันเต้นตึกๆๆๆๆๆ ก, ก, ก, ก, ก, กมันก็มันก็ไม่หลุดหรอกมันก็กินอยู่นั่นแหละแล้วก็ไปถูตรงนั้นถูตรงนี้สารพัดหมดเลยเนี่ยในสังสารวัตเนี่ยแค่นั้นตอนนี้เราได้อัตภาพความเป็นมนุษย์แล้ว เราต้องยอมรับได้โดยปัญญาเร่งข้นขวายในการฝึกฝนพัฒนาตัวเองอย่างนี้เป็นต้นเออโดยตัวขันตีสังวรมันเกิดได้อย่างนี้นะคนก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยเครียดง่ายเพราะปัญญาเข้ามาชำระทำให้กุศลศีลเนี่ยำดำเนินไปได้ดีหรือหิวโอ้โหถ้ามาสมาทานสิขาบท8ประการเนี่ยเป็นการทรมานตัวเองไหมปกติเรากินสามมื้อก็ต้องมากินสองมื้อเป็นการทรมานไหมเนี่ย ตั้งใจจะทรมานหรือว่าหรือว่าตั้งใจที่จะมาเจริญกุศลหรือว่ามีจิตพร้อมที่อยากจะฝึกตนเองมีความพร้อมที่จะฝึกตนเองใช่ไหมตั้งแต่เที่ยงไปแล้วเนี่ยมันหิวนะคารวาสมือที่สําคัญที่สุดของคารวาสก็มือ้อมื้อตอนเย็นใช่ไหมเขาถือว่าสุขมากที่สุโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยมันชอบกินอาหารตอนเย็นกันต้องไปตามศูนย์การค้าไปอะไรนัน่งกินกันมันมีความสุขเพรากินมีความสุขครับ กินเสร็จแล้วก็ไปวิ่งออกกาลังกายกันมันการการอดอาหารคนที่อดจริงๆกับเราที่ตั้งเจตนาที่จะอดต่างกันตรงไหนต่างกันตรงไหนคนที่เขาไม่มีอาหารกินเขาอดเหมือนกันนะนเขาเป็นศีลไหมไม่เป็นที่จริงเนี่ยถ้าเป็นศีลแปดตั้งแต่สิกขาบทข้อที่หเป็นต้นมาเนี่ย เป็นเรื่องของการขัดเกลาแล้วปรารถนาที่จะขัดเกลาตัวเองเนะจะพัฒนาให้ตัวคือจะต้องการตัดอะไรเนี่ยไอตัวระสะตัณหาเป็นต้นเนี้ความติดใจในรถความติดใจในสัมผัสความติดใจในเครื่องประดับประดาตกแต่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นมันมีรูปประตัญหาไม่ยินดีพอใจในรูป สัทธตันหายินดีพอใจในเสียงคันธะตันหายินดีพอใจในกลิน่นราซาตันหายินดีพอใจในรสโพธพาตันหายินดีพอใจในโพธพาลมแล้วก็ธรรมะตันหายินดีพอใจในธรรมะอารมณ์ทั้งหลายที่ใจเขาไปรับรู้แล้วสร้างจินตนาการและเพื่อเพื่นฉะนั้นการสมาทานศิกขาบทตั้งแต่ข้อที่6เป็นต้นไปต้องการขัดเกลาตนเองเพื่อจะตัดเส้นทางตัดท่อน้ําเลี้ยงของตันหาตัวเนี้ย ความทยานอยากความติดใจใยกระสันความร่าดลนในใจของมนุษย์ที่มันแสบก็ไปหาสีเสียงกินรสทั้งหลายเลยนี้ต้องการตัดวงจรมันก็เลยเอาละสมาทานซะเลยเป็นคนกล้าดเด็ดเดี่ยวในการที่จะฝึกผลพัฒนาตนเองมองออกไหมแล้วมันพวกเราทําด้วยความรู้ความเข้าใจหรือทําด้วยความเราไม่มีจะกินใช่ไหมถึงมาสมาทานสิกขาบทเนี่ยไม่ใช่เลยใช่ไหม เรามีจะกินนี่แหละจริงๆมันเกินได้ใช่ไหมคือเราก็มาสมาทานต้องการอยากจะฝึกหัดขัดเกลาตนเองและไม่ยอมจำนนต่อตันหาเหล่านี้เพราะว่าเราเนี่ยมีตันหาเป็นเพื่อนคำว่ามีตันหาเป็นเพื่อนก็หมายความว่าเราจะทำอะไรเนี่ยตันหาคอยกระซิบบอกทุกเรื่องเลยถ้าตันหาบอกว่าดีเอาเลยทำแล้วก็ทำตาม ถ้าตันหาบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบแล้วก็ไม่ทาตามใช่ไหมแต่พอมาในพระศาสนานี้เราบอกว่าไม่เอาแล้วเราจะทิ้งเราจะละตัดขาดเราจะสมาทานในกรณีบอกว่านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราเลิกคบกันในหลักการคืออย่างนี้จริงๆเลิกจริงๆไหมเรายังอยากใช้บริการของตันหาอยู่ไหมเราเห็นความไม่ดีไม่งามของเขาหรือว่า หรือว่าอะไรเราจึงมาสมาทานในการที่จะไม่จะรักษาศีลแปดกันเนี่ยเราอยากขัดเราเราไม่อยากเป็นทาสของตัณหาถามว่าใจของเราเนี่ยเป็นจิตใจที่กล้าๆไหมกล้าท้าทายเขาขนาดนั้นหรือทั้งๆที่เขาอยู่กับเรามาขนาดนี้กลัวเขาเสียใจไหมไม่กลัวเลยเลย แสดงว่าเราเลิกคบอยากจะเลิกคบเพื่อนคนนี้เต็มทนใช่ไหมถ้าหากตันหาไม่เกี่ยวข้องกระแสชีวิตเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นอยู่ยังไงชีวิตเรามันจะปลอดโปร่งโล่งเบาขึ้นไหมหรือว่าหรือว่าเป็นเหมือนเดิมคิดว่าอย่างนั้นยังไม่เราจะไป็นอิสระเสรีภาพมากขึ้นฉะนั้นความอยากเนี่ยบางทีมันค่อยพิจารณาอย่างนี้บางทีมันหิวบางทีมันอยาก อยากจะได้เสื้อผ้าสวยๆอยากจะได้ที่อยู่ที่ดีๆอยากจะอยู่ในบรรยากาศที่ดีๆอยากจะได้อาหารที่ดีๆความหิวความกระหายทั้งหลายเหล่านี้หมูสัตว์ทั้งหลายทนไม่ได้ก็ทำกรรมชั่วกันเยอะแยะหมดฆ่าสัตว์บ้างรักทรัพย์ บ, บ้างประพฤติผิดในการบ้างจากตัณหาเป็นปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการ ม, มตัณหาความยินดีพอใจติดใจในการคุณอารมณ์เป็นต้น ภวะตัณหาความยินดีพอใจในการที่ติดใจในรูปภพอรูปภพหรือว่ายินดีพอใจในการเรื่องการให้มันถาวรมั่นคงวิภาวะตัณหาความยินดีพอใจที่มันเป็นไปกับความเห็นที่ขาดศูนย์อยากจะพ้นเป็นต้นเหล่านี้หมู่ตัณหาทั้งนี้ก็มีอิทธิพลต่อกระแสชีวิตสัตว์ตลอดเวล า, าใครพิจารณาบอกว่าเบื้องต้นนั้นบุคคลรู้และที่สุดนั้นบุคคลรู้ไม่ได้เนี่ยในสังสารวัฏเราเคยเกิดเป็นเปรต เปรตเนี่ยมันมาจากความมันหิวเขาก็เล่าอีกคฟังบอกว่ามีที่แม่น้ําคงคาเนี่ยมีอุบาสกคนหนึ่งเป็นมันเป็นเปรตวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งหาน้ํากินแต่ที่วิ่งไปในสายตาของเจ้าเปรตตัวนี้เห็นเนี่ยมันเต็มไปด้วยมันแห้งผากไปไม่มีน้ําเลยแต่ได้ยินเสียงเหมือนมีน้ําทั้งทั้งที่ตนเองวิ่งเลาะน้ําอยู่นั่นแหละพระไปบิณฑบาตกันก็ถามว่ายอมวิ่งทําอะไรบอกว่าหิวเหลือเกินหิวน้ํา พระก็บอกนี่ไงน้ำไอ้ที่เธอวิ่งย้มวิ่งเหยียบไปเหยียบมานี่แหละเด็ะเปรตนี่ก็บอกว่าไม่เห็นเลยบอกก็เลยบอกว่างั้นนอนลงเดี๋ยวอาจจะมาจะาตักใช้บาตรตักน้ำแล้วเทให้กินเปรตก็อ้าปากแล้วก็พระ ก, ก็ช่วยกันเอาบาตรตักน้ำแล้วก็เทกอกเข้าไปน้ำสักหยดมันก็ไม่เข้าไปในปากในใ น, ใ น, ใ, นในกระแส ในในร่างกายของเปรตนั้นเพราะบาปรกรรมมันปิดไว้ใช่บาปรกรรมมันปิดไว้ก็ทุกทรมานขั้นก็ให้พิจารณาว่าเบื้องต้นและที่สุดอันรู้ไม่ได้เราเคยเกิดเป็นเปรตกลุ่มนี้มามากมายเคยหิวเคยทรมานมาฉะนั้นเพียงแค่เราจะอดอาหารหรือว่าไม่ได้ตามใจอยากแค่เนี้ย ถ้าเราทนไม่ได้เนี่ยเราไปละเมิดศิกขาบทขึ้นมาเนี่ยเราจะเสียหายในสังสารวัตรพอพิจารณาอย่างนี้ก็มีความอดทนมีปัญญาคิดอ่านในการที่ไปวิจัยแยกแยะแล้วก็เข้าใจในการดําเนินชีวิตนี้เป็นต้นที่ย้อนกลับมาตรงนี้เพื่อต้องการเนี่ยเราเห็นอะไรรู้ไหมได้เห็นว่าตัวขันติสังวรมันเอือ้อมันเอื้อต่อการเจริญเมตตาเหตุผลที่มนุษย์เนี่ยเมตตาจิตเกิดไม่ได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันทนหรือมันหงุดหงิด ภาวะที่จิตหงุดหงิดว่าอากาศร้อนอากาศหนาวเอ้ยไม่ได้ดังใจเอ้ยได้ที่อยู่ไม่ได้ดังใจเสื้อผ้าไม่ได้ดังใจเนี่ยสภาวะที่มันเกิดความหงุดหงิดโกรธและเครียดนี่แหละสภาวะตรงนี้นี่แหละมันเป็นตัวทําลายเมตตาทีนี้พอการเจริญเมตตาเนี่ยเมตตาเกิดขึ้นเนี่ยพอรักไอความรักที่เป็นไปกับเมตตาเนี่ยเขาบอกงนี้ถ้าเรารักตนเองเนะที่บอกว่า ปรารถนาให้ตนเองนั้นประสบความสุขแต่ความสุขปรารถนาให้ตนเองเนี่ยความสุขกายก็ดีความสุขใจก็ดีเนี่ยภาวะที่ตนเองเนี่ยพ้นจากเวรภัยทั้งหลายเป็นต้นไอ้ความรักความปรารถนาดีกับตนเองและก่ บ, บุคคลอื่นที่เป็นความรักที่แท้จริงเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ความรักแท้ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นเมตตาพอเมตตาเกิดขึ้นมาในใจปุ๊บ แล้วมีพลังมากขึ้นเวลาพูดออกมาก็จะเป็นเมตตาวจีกรรมเวล า, าทำสิ่งใดๆออกมาก็ทําได้เป็นเมตตากายกรรมคิดถึงบุคคลอื่นทั้งหลายแต่นี้ตัวเมตตามโนกรรมมันเกิดได้จริงมันมาจากเจตจํานงความจงใจตั้งใจที่จะทําให้ความรากักความปรารถนาดีมันเกิดขึ้นได้จริงๆและในขณะเดียวกันเวลาพอเมตตาเกิดขึ้นนะมันมีใจรักนะ คนที่จะขับเน้นหรือทําเมตตาเกิดขึ้นได้จริงๆอ่ะมีใจรักมันเห็นอนิสง์ของเมตตาเห็นเห็นคุณของเมตตาแล้วก็เห็นโทษของปฏิฆาเห็นโทษของโทสะเป็นต้นอยู่ไหมกรรมที่ทําได้ด้วยโทสะเนี่ยมันเบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมถ้ามีเมตตาเกิดขึ้นเมตตากายกรรมเมตตาวิญญกรรมเมตตามโนกรรมเกิดขึ้นหรือสภาพจิตที่เป็นไปกับเมตตาจริงๆเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเองบุคคลอื่นสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมน้ำหนัก มันหาค่าไม่ได้เหมือนเวลาพอรู้ในเรื่องนี้ปุ๊บท่านก็จะชักยองให้ไปเห็นอานิสงอานิสงของเมตตานี่ที่บอกสุขขัง ส, ปสขขงุปฏิสุขังปฏิพุชตินาปาปะกงปางสปีนังปัสสติเป็นต้นเหล่านี้แปลว่าถ้าเมตใครทำเมตตายเกิดขึ้นได้อานิสงเยอะมากเลยหนึ่งหลับเป็นสุขเนียใช่ไหมตื่นก็เป็นสุขเนียไม่ฝันร้ายเทวดารักษา เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอามนุษย์ทั้งหลายไฟยสตรายาพิษโลกไร้ไม่เบียดเบียนมีสีหน้าที่ผ่องใสมีสมาธิตั้งมั่นเร็วไม่หลงไม่หลงทําการไม่หลงก่อนตายเนี่ยแล้วก็าตายแล้วก็ถ้าได้ฌานสมาบัติเป็นพรหมโลกถ้าเป็นกุศลจิตก็ได้สุคติทีนี้ถ้าตรงข้ามละ่ะถ้าโทสะคนที่สั่งสมโทสะบ่อยๆบ่อยๆบย่ๆเครียดบ่อยๆโกรธบ่อยๆนะก็หลับเป็นทุกข์ใช่ไหมตื่นก็เป็นทุกข์ ปัญหร้ายเทวดาไม่รักษาไม่เป็นที่รักของมนุษย์ไม่เป็นที่รักของอมนุษย์ไฟสัตรายาพิษโรคร้ายเกิดบ่อยบาปมันให้ผลบ่อยแล้วก็สีหน้ากระเศร้าหมองฟุ้งซ่านเป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมคนที่เป็นคนมีอาการวิปริตผิดเพี้ยนใจตายทั้งหลายเหล่านี้หลงอะ่ะอาการหลงเนี่ยมันมาจากอะไรไม่ใากโทสะมาจากความเครียดความกลุ่มที่นี้มันเห็นตรงกันข้ามแล้วแต่เนี้ย ถ้าเราปรารถนาอยากจะเป็นคนที่ใกล้าตายแล้วหลงก็เครียดเยอะๆก็โกรธเยอะๆ ก, ก, ก็วิตกกังวลมากๆใช่ไหมแต่ถ้าเราบอกอุวิไม่เอาเราอยากจะไม่หลงก่อนตายแล้วอันนี้ก็อันนี้คือเรื่องของการที่เราไปเห็นอ น, นิสง์แล้วก็เห็นโทษเห็นโทษของการไม่มีเมตตาเห็นคุณของการมีเมตตาก็ให้ให้พุ่งไปที่เนี่ย ตัวอา น, นิสงแบบนี้ย่อมมีปัญหาเรื่องการนอนกันไหมไม่มีเลยเลยหลับง่ายหรือหลับยากยากหรือง่ายยากเนี่ยมีปัญหาเมตตาไม่เจริญหลับเป็นทุกข์ตื่นน่ยตื่นเป็นทุกข์ไหมตื่นขึ้นมาหน้าตาเศร้าหมองหรือตื่นขึ้นมาเหมือนกับดอกไม้บานยามเช้าเหมือนอะไร พอตื่นขึ้นมาก็ยิ้มตั้งแต่ในที่นอนออกมาเลยไหมตื่อหลับหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขฝันดีไหมฝันว่าไหว้พระฝันว่าสวดมนต์ฝันว่านั่งกรรมาฐานฝันว่าไปให้ทานฝันว่าไปไหว้พระเจดีย์เคยฝันไม่แบบนี้ยในชีวิตเคยฝันกับเขาบ้างไหม เนี่ยแสดงให้เห็นว่าสภาพจิตใจน่าจะเครียดจัดโยมดูหน้าแล้วเอาแล้วแต่นี่งานนี้จะผลักดันเมตตาเกิดขึ้นได้จริงไหมเนี่ยพูดขนาดนี้แล้วเนี่ยใจมันมีเมตตาบ้างไหม ม, ม, มีมีเกิดขึ้นบ้างไหมพาพยายามทุกวิถีทางขนาดนี้มันมันเกิดขึ้นบ้างไหม เอ้จริงๆเวลาเราเราเมตตาเรารักเราปรารถนาดีกับเราโกรธเราเกลียดเขาเนี่ยสภาวะเหล่านี้อันไหนทําได้ยากอันไหนทําได้ง่ายเดียว่าอะไรทําได้ง่ายได้ยากเมตตาเขากับโกรธเขาอันไหนทําได้ง่ายกว่ากันจริงเลยเดในชีวิตจริงของยอมอะในชีวิตจริงของยอมเคยโกรธลูกไหม น้อยใจโลกนะงอนโ oh. ลกไม่โลกไม่เรียกกินข้าวก็โกรธเนี่ยนะเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าโทสะอาการแบบเนี้ยเขาเรียกโทสะแค่ลูกไม่เรียกกินข้าวแค่นี้โอ้โหเป็นเรื่องตัวโทสะเนี่ยตัวโทสะจิตมันเกิดจากอะไรอะไรเป็นปัจจัยทําให้โทสะเกิด มาจากไม่ฉลาดคิดใช่ไหมการมองเห็นจุดด้อยคนได้ง่ายมองเห็นข้อเสียคนได้ง่ายคิดเจาะไปหาแต่ข้อด้อยคนอื่นข้อเสียคนอื่นลองคิดดูทีเนี่ยคิดเดี่ยวนี้ก็ได้คิดมาที่ท่านอาจารย์ย่าวา่าลองคิดดู <c oughs> รู้เลยที่นั่งอย่างนี้แสดงว่าในใจไม่มีกรรมฐานสมมุตินะคิดคิดเป็นสมมุติพิคิดไปน กล้าไหมกล้าคิดไม่ดีกับพระไหมอ๋อไม่กล้าเออดีพวกเรายังมีกุศลจิต ด, ดีอย่างที่ได้บอกไงบอกว่าเนี่ยมนุษย์เราในเวลาเกิดโทสะขึ้นมามันกล้าโกรธคนอื่นกล้าคิดไม่ดีก็อย่างที่บอกมาตอนเช้าเนี่ยเราคือไปพิจารณาถึงพฤติกรรมทางกายทางวาจาทางใจของคนอื่นปุ๊บแล้วมันเห็นจุดไม่ดีขึ้นมาก็โกรธแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นฉะนั้นเวลา เวลาคิดที่เป็นอญญโยนิโสมนัสิการเวลาไม่ฉลาดคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นเหตุแห่งการให้อาหารของโทสะพอเราโทสะเกิดขึ้นมาเอาแล้วตรนี้มันไล่มาตามลําดับอย่างที่ได้บอกมันเริ่มจากจิตเนี่ยมันเริ่มร้อนหลนกระวนกวายก่อนนัเข้านัเข้าเวลาโทสะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีปริมาณมากขึ้นมากขึ้นตามลําดับเบ็จเสร็จขึ้นม า, นน า, มนมาปุ๊บเนี่ยมันพักแล้วไปที่หน้าแล้ว มันจะเป็นหน้าเนี้ยวคิ้วขมวดก่อนแล้วนะเข้าค้างสันเนี่ยนะมันอาการแบบนี้มันแปลว่าถูกผักมาอย่างแรงแรงเลยนะของของโทสะเลยนะมันถึงจะทําให้อกุศนจิตตชรูปมันผักออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาที่มันเปลี่ยนรูปทันทีเลยเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาทันทีสวยขนาดไหนหน้าเกลียดขึ้นมาทันทีในขณะที่โทสะเกิดมันจะผักออกมาทันทีค้างสันเป่งวาจาชั่วร้ายมันไล่มาตามลําดับเลยนะ แล้วก็เหลียวดูทิศทั้งหลายเหลียวดูสิ่งของดูไม้ดูมีดดูอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็เดินเข้าไปหยิบอาการเหล่านี้ถูกโทสะผักไปทั้งนั้นจับขึ้นมามีการตีมีการฟาดมีการฟันมีการแทงให้เขาตายตายเสร็จแล้วฆ่าตัวเองในที่สุดเนี่ยสภาพของโทสะมันเป็นไปด้วยอาการแบบนี้ทีนี้พลิกกลับมาด้านของเมตามันจะตรงกันข้ามดังที่ได้กล่าวว่าเนี่ยท่าสภาพเมตตาเกิดขึ้นมาเนี่ยสภาพจิตที่มัน เวลาตัวเมตตาเกิดขึ้นมาปุ๊บเาจะทำลายปฏิฆาทำลายเมตตาจิตของเขาอาการปรากฏของเขาก็คือสภาพจิตที่เยือกเย็นเหมือนพระจันทร์วันเพ็ญขึ้นมาแต่ด <c oughs> ิโอยงดงามเลยเดลองทำจิตอะไ น, นี้เอางี้ว่าแค่เรานั่งอยู่แล้วก็ฟังอย่างงี้นะแล้วก็แผ่เมตตาจิตไปด้วยทำเมตตาให้เกิดขึ้นว่าเนี่ยอย่างคือนึกถึงตนเองก็ได้นะ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 โอ้เราเข้าใจแล้วเนาะเนี่ยที่ผ่านมาบางครั้งเราไม่เคยเราไม่เคยที่จะรักตนเองจริงๆอยู่กับตนเองจริงๆนะไม่เคยที่จะนึกถึงตนเองแล้วก็ว่าให้สิ่งดีๆทั้งหลายเกิดขึ้นกับตัวเองวัดีใช้สตินะดึงข้อมูลดึงกุศลทั้งหลายแล้วเนี่ยดึงความดีทั้งหลายดึงมาดึงมาไว้ในตนดึงให้กุศลเกิดขึ้นในตนแล้วก็รักษากุศลนั้นไว้ ไม่กุศลความดีนั้นหลุดลอยไปเงี้นะไอ้กรณีที่เกิดความรักความปรารถนาดีเกิดขึ้นอันนี้แปลว่าเมตตามันกำลังทากิจอยู่แต่ถ้าหากว่าสภาพจิตไม่ไม่ผ่องใสไม่เ อ, อิบอิ่มไม่เบิกบานแปลว่าเมตตาทากิจไม่จรงิงเมื่อเราจะแผ่อย่างไงก็แล้วแต่เย่างว่า ขอให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขขอให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆขอให้คนที่เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายต่อให้ท่องได้ยังไงนะแต่สภาพใจที่เมตตามันไม่เกิดจริงมันไม่เกิดจริงนะยังไงยังไงความช่ําชื่นความเบิกบานหรือความผ่องใสสภาพจิตเยือกเย็นก็ไม่เกิดอันนี้บ่งบอกได้เลยว่าเมตตามันไม่เกิด สภาพเมตตาเนี่ยไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเมตตาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ต้องแค้นเลยอ่ะมันเกิดได้จริงๆมันมีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนเกิดขึ้นแบบจับจิตจับใจมันเกิดขึ้นจริงๆนะเป็นไหมหรือมันมันมันมันเป็นยากยากไม่ยากทีนี้ถ้าถามว่าไอ้ตัวเมตตาที่มันเกิดขึ้นน่ะพอเรานึกถึงตนเองทํำไมเมตตาเกิดง่ายไหม ระหว่างคิดถึงคนอื่นกับคิดถึงตัวเองอันไหนเกิดง่ายกว่ากันคิดถึงตัวเองใช่ไหมเราปรารถนาให้เรามีอายุยืนไหมปรารถนาให้เราเนี่ยไม่มีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนไหมปรารถนาให้เราประสบความสุขไหมเออเนี่ยตนเองก็รักถ้าคนที่เขาเกลียดเราเขาก็หวังปรารถนาให้เราเนี่ยอายุสั้นให้เรามีโรคภัยแค่เจ็บมากให้เราผิดหวัง เรามีซากก็ให้เรามีซากวิบัติขอให้เราจงไม่มีอายุยืนขอให้เราตายไปแล้วก็ตกนรกใช่ไหมคนที่เขาเกลียดเราหรือว่าไม่ชอบขี้หน้าเราเนี่ยเขาก็คิดไม่ดีกับเราแบบนี้แต่เรารักตนเองเราไม่เคยคิดกับตนเองอย่างนั้นเราปราถนาให้กับตนเองเนี่ยประสบความสําเร็จและมีความสุขทีนี้เคยตั้งใจจริงๆริงไหมที่จะให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตนเององนั้นจริงๆเคยไหม เคยแผ่มเมตตาให้ตัวเองได้ถึงชั่วโมงไหมห้านาทีถึงไหมไม่เคยเลยเลยไม่มีเวลาเลย ไ, ไม่มีเวลาเลยมันมันเป็นยังไงเวลาคิดถึงตัวเองแล้วมันมันมันยุ่งยากใจยังไงสรุปตรงนี้นะว่าความรักที่เป็นไปกับเมตตาเนี่ยนะ ลักษณะของเมตตาเนี่ยที่บอกว่ามีความรากักความปรารถนาดีเป็นไปโดยการเกื้อกูล เ, เป็นลักษณะคำว่าเกื้อกูลเนี่ยนะหมายความว่าการที่เรามีลักษณะรักปรารถนาดีและก็มีการนำเอาประโยชน์เกื้อกูลเข้าไปให้คำว่านำเอาประโยชน์เกื้อกูลเข้าไปให้ถ้าเราคิดถึงตนเอง เราก็ปรารถนาให้ตนเองเนี่ยประสบความสุขประสบความเจริญใช่ไหมปรารถนาจะให้เราเนี่ยให้กระแสะชีวิตของตนเองดําเนินไปตามศีลสมาธิปัญญาปรารถนาชีวิตของตนเองเนี่ยพ้นจากกิเลสและกองทุกข์อย่างนี้เขาเรียกว่าต้องการนําประโยชน์เกื้อกูลให้ตนเองหรืออย่างยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะได้เสื้อผ้าดีๆให้กับตัวเองแล้วก็สแสวงหามาให้กับตัวเองอยากจะได้อาหารดีๆให้กับตัวเองอยากได้ที่อยู่ดีๆ อยากจะให้ตนเองได้สิ่งของที่ดีๆแล้วควนขวายเนี่ยไอ้ความที่รักตนเองมันจะเป็นลักษณะ น, นี้ถ้าเรารักคนอื่นก็ในทํานองเดียวกันใช่ไหมถ้าเป็นรักแท้นะรักแท้เกิดขึ้นเราคิดถึงลูกเนี้ยถ้าพ่อแม่คิดถึงลูกรักลูกแล้วก็คิดแล้วเราก็คิดว่าเอออยากจะได้ให้อะไรสิ่งดีๆแก่ลูกพอเกิดความรักอย่างนี้ขึ้นมาเอาละอะไรที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อกระแสชีวิตของลูก เสื้อผ้าที่ดีที่สุดอาหารที่ดีที่สุดเครื่องนุ่งห่มดีที่สุดที่อยู่อาศัยดีที่สุดยาที่ดีที่สุดตลอดถึงระบบการเรียนการศึกษาใดๆก็แล้วแต่ที่ดีที่สุดเนี่ยตามสติปัญญาตามความรู้ความเข้าใจของของคนคนนั้นเมตตาเนี่ยเราเมตตาลูกระดับไหนหรือเมตตาบุคคลอื่นระดับไหนมันมีปัญญา้เป็นตัวกำกับถ้าเราปรารถนาอยากจะให้ลูกเนี่ยมีความสุขมีอายุยืนมีคุณภาพชีวิตที่ดี แล้วก็ขับเน้นเรื่องสุขภาพร่างกายถ้าปรารถนาอยากจะให้โลกมีเกียรติยศชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมเราก็พยายามขับเน้นให้เขาได้สร้างเหตุปัจจัยใดๆก็แล้วแต่ที่จะได้สิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือปรารถนาอยากจะให้ลูกมีงานมีเงินพึ่งตนเองได้ในด้านเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ขนขวายทุ่มประโยชน์ไปให้เขาเอื้อประโยชน์ไปให้เขาปรารถนาอยากจะให้โลกนั้นอยู่เย็นเป็นสุขมีครอบครัวสมัครสมานสามัคคีก็ทบอย่างนี้เขาเรียกว่า ขับเน้นให้ลูกหรือคนที่เรารักเนี่ยได้ประโยชน์ในปัจจุบันและในขณะเดียวกันถ้าหากเมตตาตนเองนะเราต้องการให้ตนเองได้ประโยชน์ในปัจจุบันอย่างแท้จริงมันจะทําอย่างเงี้ยเช่นยอมยอมรักตนเองยอมใส่ใจอาหารที่ดีให้กับกระแสชีวิตตนเองไหมใส่ใจไหมดูแลตนเองไหมว่าเราจะต้องมีความเราจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขและมีอายุยืนให้ได้ในอัตรภาพนี้ ยอมคิดเรื่องนี้มแล้วมีปัญญาคิดอ่านในการจัดการด้วยความรักปรารถนาดีตนเองจริงๆไหม อ, อ, อยากให้ตนเองมีงานมีเงินพึ่งตนเองได้ไมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมไหมแล้วก็ข้นขวายทำตรงนี้ไมทาด้วยความเครียดหรือทำด้วยความรัก <c oughs> <c oughs> หรื อ, เ, อ, อเกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสมัสมาสามาธิไอ้การข้นขวาย ที่มีความรักความปรารถนาดีให้กับตนเองและบุคคลอื่นอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นไปในประโยชน์ปัจจุบันหรือประโยชน์ตาเห็นถ้าสูงไปกว่า น, นั้นล่ะบางทีเรารักตนเองเนี่ยเราไม่ใช่รักแค่อัตภาพนี้เท่านั้นเรารักตนเองเนี่ยต้องการอยากให้ตนเองเนี่ยได้หลักการในเดิมดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงก็มารักตนเองไหมถ้าว่ารักแล้วตอนเนี้เราทําที่พึ่งให้กับตนเองได้หรือ ย, อยัง ได้หรื อ, อยังเราได้ทาําศรัทธาคู่ความเชื่อมั่นให้ยึดยองกับพระาราตนาไตรเนี่ยเราได้ขวนขวายกระแสชีวิตของตนเองเนี่ยให้ได้ยึดยองกับพระรัตนาไตรได้ถูกต้องไหมได้มีหลักในการดําเนินชีวิตถูกไหมหรือ ย, ยังสเปะสปะอยู่เห็น <He ard S 2> ไหมเนี่ยเวลารักตนเองที่ถูกเนี่ยจะเริ่มดูแล้วว่าเอ๊ะเนี่ยขันห้านี้กระแสชีวิตเนี่ยมีหลักในการดําเนินชีวิตหรื อ, อยังมีพุท ธ, ธะเป็นหลักดําเนินชีวิตที่ถูกต้องจริงๆริงไหม มีธรรมะเ ป, เป็นหลักในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องจริงๆไหมมีสังขะเป็นหลักในการดําเนินชีวิตถูกต้องจริงไหมถ้าอย่างนี้ถ้ารักตนเองจริงๆก็พยายามปลูกฝังใช่ไหมหาข้อมูลใดๆก็แล้วแต่เนี่ยทำให้ตนเองได้ศรัทธาที่ไปยึดโยงกับพระธรรมตรัยอย่างแท้จริงถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ารักตนเองที่ปรารถนาให้ตนเองได้ประโยชน์เลยตาเห็นมองเห็นยัง แล้วรักตนเองอีกก็ทีนี้ก็เอาละสิดําเนินกระแสะชีวิตนตนเองให้เป็นไปกับกุศลศีลที่เป็นอริยกันตศีลศีลที่พระอาริยบุคคลชื่นชมรักให้ไหมนี่เขาจะหยิบยื่นประโยชน์ให้กับตนเองตอนเนี้กระแสะชีวิตของตอนเองดําเนินไปตามกุศลศีลได้ดีไหมยอมมั่นใจได้ออยังตอนนี้ยได้ดีไหมหรือว่าบางครั้งมีศีลบางครั้งไม่มีศีลอันนี้แปลว่าเรารักตัวเองไม่ถูกไม่ใช่เมตตาจริงนะ ถ้าเมตตาจริงๆมันจะเข้ามาชาระตัวเองชาระชีวิตตนตนเองว่าตอนนี้เอาแล้วเราได้ที่พึ่งแล้วยอมได้ที่พึ่งกันหรือยังก็คือได้พระรัตนตรายเป็นที่พึ่งได้พระรัตนตรัยเป็นหลักดำเนินชีวิตชัดแล้วยอมยังมีตัณหาเป็นที่พึ่งอยู่ไหมยังมีทิฏฐิมานะเป็นที่พึ่งยังมีหลักผิดๆเป็นที่พึ่งอยู่ไหมบอกก็ตัดออกเด็ดขาดแล้ว เขามีพุทธธรรมสังท้าเป็นหลักในการดําเนินชีวิตถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าได้หลักดําเนินชีวิตถูกนี่มองให้เมตตาตัวเองนะมันหยิบยื่นประโยชน์ให้กับตนเองให้ตนเองได้ศรัทธาที่ถูกต้องสองให้ตนเองดําเนินตามศีลอริยกันตศีนี่แหละศีลที่ไม่ศีลที่พระญาบุคคลชื่นชมรักใครก็คือศึกษาเจตนาศีลเจตสึกศีลศึกษาเรื่องกุศลศีลอย่างดีแล้วก็ดําเนินชีวิต ให้เป็นไปด้วยความดีงามและเป็นไปเพื่อฝึกผลพัฒนาตนเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปชําระทํากุศลศีลตนเองให้เกิดขึ้นได้จริงทั้งจารีตทั้งวาลีตเมื่อดําเนินกุศลศีลให้เกิดขึ้นได้จริงๆนี่คือรักตนนะนี่ความรักตนมารักแบบนี้ความเมตตาตนเองรักตนเองปรารถนาดีตนเองเนี่ยที่ประการต่อมาอยู่แค่ศีลไม่ได้ข้อมูลเนนี้น ถ้าปรารถนาอยากแคให้ตนเองดําเนินไปตามแนวทางมัชฌิมาปฏิปทาได้ถูกต้องเนี่ยก็ต้องมีสุดตาของพระริยเจ้าใช่ไหมข้อมูลเนี่ยมีสุดตะเขาเรียกสุดตาวาลียาสากโกเนี่ยก็คือมีสุ ด, สดตาของพระริยเจ้ามีข้อมูลของพุทธเจ้าที่จะเป็นหลักในการดําเนินชีวิตบางคนฟังธรรมะเนี่ยมันได้แค่ข้อมูลนะได้แค่สุดตาแต่ไม่ได้สุดตามยปัญญาต่างกันยังไงอ่ะ คือฟังเรื่องเมตตาก็จําได้ในเรื่องเมตตาเนี่ยแต่ความเข้าใจที่จะเกิดความซาบซึ้งและมีความมุ่งมั่นไว้เอออยากจะทําเมตตาให้เกิดขึ้นมันไม่มีมันจึงได้แค่สุตตะได้แค่ข้อมูลนีมันผิวๆมากเพราะไอ้สุตตยปัญญามันเกิดขึ้นจากมีโยนิโสมนสิการในการฟังความเป็นผู้ฉลาดในการฟังเมื่อฟังแล้วก็สามารถ เข้าใจได้อย่างท่องแท้ในขณะที่ฟังนั้นคือศรัทธาเกิดขึ้นได้จริงความกล้าๆกาเกิดได้จริงแล้วก็พอพูดถึงเรื่องเมตตาเข้าใจในเรื่องเมตตาเห็นประโยชน์ของเมตตาเห็นอนิสง์ของเมตตาเห็นคุณประโยชน์ของเมตตาเห็นโทษของความไม่มีเมตตาเบ็ดเสร็จปุ๊บก็มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในกรณีในขณะที่ฟังทีนี้พบฟังไปแล้วไปวิจัยแยกแยะต่อยอด ทำให้เกิดการเชื่อมโยงเข้าใจเหตุเข้าใจผลได้มากขึ้นอันนี้เป็นจินตามรยปัญญานะลึกขึ้นกว้างขึ้นกว่าที่ฟังะูุทะลวงได้มากขึ้นมีความกว้างขวางรอบรู้ในเรื่องของเมตตาได้อย่างลึกซึ้งด้วยความรู้ความเข้าใจเชื่อมโยงว่าจะให้เกิดยังไง ร, รู้ลักษณะของเมตตารู้รู้กิจของเมตตารู้อาการปรากฏของเมตตารู้เหตุใกล้ที่จะทาให้เมตตาเกิดขึ้นมา รู้รายละเอียดว่าคิดอย่างนี้เมตตาเกิดคิดอย่างนี้เมตตาไม่เกิดรู้ทําแบบพอเมตตาเกิดขึ้นมาผักให้เป็นพฤติกรรมแบบนี้เป็นต้นเข้าใจในรายละเอียดทั้งหมดคิดสัตตะได้อย่างลึกซึ้งอย่างนี้คือตะกินตาม ย, บรรยาับัญญาทีนี้ต่อมาไม่ใช่แค่นั้นนะ่ยฝึกจนสามารถทําเมตตาให้เกิดขึ้นได้จริงและเข้าถึงเข้าถึงสภาพจิตที่เป็นเมตตาจริงๆได้ความสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้ว ได้ความลึกซึ้งได้ความปราบปลืม้มได้ความสุขได้ความสมนานะที่เกิดขึ้นจากการเดินเมตตาได้ทุกขั้นตอนแล้วสภาพของโทสะก็ถูกกันออกไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติบ่บบงเพ็ญใช่ไหมเป็นภาวนาวิญญาฉะนั้นเวลาเราเรามาศึกษาในเรื่องของเมตตาเนี่ยถ้าเราเข้าใจในลักษณะนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วอ้อเราจะต้องทําให้เกิดได้ให้ได้ การฟังแล้วเกิดความเข้าใจแล้วจะทําให้เกิดให้ได้ความตั้งใจเจริญจำนงในลักษณะเนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเริ่มเข้าใจในเรื่องของเมตตาจากการฟังทีนี้พอฟังปุ๊บสมมุติว่าในขณะที่ฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยวิจัยตามไปด้วยและไม่ใช่แค่นั้นอาศัยทั้งสุตตาละจินตานี่เป็นปัจจัยเกิดหนุนทําเมตตาเกิดขึ้นได้จริงๆในขณะนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไร เขาเรียกว่าภาวนาใช่ไหมเที่ยวเมตตาภาวนาแปลว่าตัวเมตตามันพัฒนาขึ้นแต่ก่อนเคยได้ยินที่บอกว่าศาสตร์ที่ตอนนั้นพระราชามักพูดก็เข้าใจเข้าถึงพัฒนาก็ใจคำนี้ไอ้เข้าใจเหมือนสุตตนี่แหละไอ้เข้าถึงระดับไปคิดเหตุคิดผลได้อย่างลึกซึ้งเหมือนจินตานี่พัฒนาไปจืงภาวนาก็คือทําให้มันเจริญขึ้นได้จริงๆ ทำเมตตาจเจริญได้จริงๆเกิดขึ้นได้จริงๆถ้าอย่างเงี้ยประสบความสําเร็จคือตรงนี้ทีนี้การทําเมตตาให้เกิดขึ้นมาได้และจะทําให้เมตตาเกิดได้อย่างติดต่อและต่อเนื่องมันยากตรงนี้ถ้าหากว่าฉลาดหรือว่ามีความเข้าใจอย่างท่องแท้ก็เดินได้จริงยากไหมทีนี้เอาต่อลักษณะของเมตตาอาการปรากอบะแล้วก็เวลาเมตตาเกิดขึ้นมาความหงุดหงิด ถูกน้ำออกไหมความเครียดความหงุดหงิดความโกรธความไม่พอใจทั้งหลายเนี่ยเมตตาจะทำหน้าที่ผักผักโทสะออกไปพอตัวโทสะออกไปจากกระแสชีวิตแล้วก็เหลือแต่เมตตามาทำกิจหน้าที่แทนดีไหมอย่างเงี้ยเออตรงนี้แหละอาการที่จิตใจผ่องแผ้วเหมือนพระจันร์วันเพ็ญก็เกิดเด่นขึ้นมาเลยบางคนประคองเมตตาเนี่ย เกิดได้เป็นหนึ่งนาทีสองนาทีเกิดดับสืบต่อเมตาก็เกิดขึ้นเรืเ่อยๆแล้วมีพลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นจะเรียกว่าขณิกะอุปจารลอัปนาก็เรียกไปแต่ตรงนั้นก็คือว่ามันมีพลังมากขึ้นในเข้าในเข้าเนี่ยมันนกสิการเพื่อให้เมตตาเกิดเมื่อไรคิดเพื่อให้เมตตาเกิดเมื่อไรมันเกิดได้ทันทีอะตอนนี้คิดให้เกิดเกิดไหมเนี่ยไม่เกิดเลยโอ้โหยากยังแค้นก็ไม่มาเลย ออนวนได้ไออนวนทีนี้จะทำยังไงจะจะทำยังไงให้เมตตามันมาได้เร็วๆก็ทำยังไงลองลองนี่มองมาที่พระเนี่ยหรือพระที่นั่งอยู่ก็ได้ก็ได้มองแล้วให้เมตตาเกิดได้ไหม มองให้เมตตาเกิดมองได้ไหมจะคิดได้ไหมยัยงไงเมตตาเกิดยังไงคิดยังไงเมตตาถึงจะเกิดคิดถึงพระลองดูนะแล้วทําให้เมตตาเกิดไอ้โยมที่นั่งหลับว่าไงอากาศเย็นนบอกท่านเนี่ย ยอมจะหลับดีๆก็มาเรียกเรียกนี่ยอมโกรธนะลิง <laughs> ยากไม่ยอมจเจริญเมตตาเนี่ยยากไหมยากไม่ยากไม่ยากใช่ไหมคิดยังไงเมตตาถึงจะเกิดจะมากินน้ำกอนฉันน้ำกอน เอาช่วยคิด <bilmiyorum> ดังๆหน่อยที่คือตรงนี้พยายามอยากจะให้โยมได้ได้ได้เข้าใจในเรื่องของเมตตาแต่เดี๋ยวจะไปเจาะในรายละเอียดอีกทีดู เหลือเวลามาันเท่าไรเนี่ยเลยอครึ่งชั่วโมงเองจะหมดเวลามาแล้วสงสัยเดี๋ยวต่อไปต้องเป็นภาคปฏิบัติการกันเนาะอันนี้ไปได้พูดในภาคของรายละเอียดนิดหนึ่งคือที่บอกว่าคิดยังไงจะให้เมตตาเกิดเนี่ยก็คิดในความที่ว่ามีความปรารถนาดีอย่างที่บอกว่าเราคิดถึงใครปุ๊บ แล้วเราก็น้อมจิตว่าปลาถนาอ้ายเขามีความสุขปราธนาอ้ายเขามีอายุยืนการคิดไปเห็นพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมทางกายที่น่ารักพฤติกรรมทางวาจาที่น่ารักการดําเนินชีวิตที่น่ารักสภาพจิตใจเขาน่ารักน่ายินดีทั้งหลายเนี่ยกรณีที่เราไปใส่ใจที่ในด้านของกระแสชีวิตของบุคคลคนนั้นแล้วเรามองทีไรแล้วเราก็ชื่นใจ ทีนี้ให้สังเกตดูนะว่าเวลาเราคิดถึงบุคคลที่เราเคารพเนี่ยเมตตาจะเกิดง่ายคนที่เรารักเนี่ยเมตตาจะเกิดง่ายแต่ถ้าไปคิดกับบุคคลที่เราเฉยเฉยเนี่ยเมตตก็ไม่ค่อยเกิดไม่ต้องพูดถึงไปคิดถึงคนที่เป็นศัตรูหรือคนที่เราเกลียดที่นหน้าเนี่ยอันนี้เมตตาไม่ต้องเกิดกันแล้วแต่นี้ยใช่ไหมในความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยถึงแม้ในคมภี์ลําดับวิธีการจเจริญมาเนี่ย แต่เชื่อไหมว่าบางทีเกิดมาเนี่ยบางคนไม่เคยเคารพใครเลยเคยคิดไหมตั้งแต่เกิดมาไม่เคยไม่เคยเคารพใครจริงๆเลยมีไหมเราเป็นไหมมียังมีคนที่เราเคารพอยู่ไหมตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมยังมีอยู่ใช่ไหมเดอเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเมตตาเกิดง่ายหน่อยเขานึกพราะเกิดขึ้นมาเราไม่เคยรักไม่เคยเคารพใครจริงๆเลยเนี่ยอันนี้เมตตาเกิดยากแล้วนะ คืออาหารที่จะทําให้เกิดเมตตาปัจจัยที่ทําให้เมตตาเกิดมันยากเย็นจริงๆเพราะเรามองไปหนะ้าที่ไหนมันรู้สึกว่าไม่เคยเคารพใครจริงๆไม่เคยรักใครจริงๆยอมเป็นไหมเคยเป็นไหมมียังเหลื อ, อยงไหมคนที่เราเคารพอยู่ที่ยังไม่ตายไปนะยังมีอยู่มหมยังมีนะ่ทีเอามองไปที่พระสงค์ว่าโอ้ท่านไม่ไหวพระสงค์เดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากคิดถึงเนี่ยที่ไปใหญ่เลยใช่ไหมฉะนั้นเวลามองไปหาคนที่เรารักและเคารพเนี่ย แล้วเราก็รู้สึกว่าปรารถนาให้คนที่เราเคารพเรารักนะมีความสุขมีอายุยืนทีนี้มีตั้งหลายอย่างใช่ไหมพ่อบอกว่าขอให้เขามีความสุขขอให้เขาปราศจากทุกข์มันก็เลยเป็นการท่องอีกแต่ยอมคิดเองไงโย่คิดให้มันเกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเราหวังให้เขาอายุยืนจริงๆริงไหมหวังให้เขาได้รับความสุขกายสุขใจจริงๆริงไหมหวังให้เขามีความเ ข, ข, ขาสมปรารถนาจริงๆริงไหม หวังให้เขาประสบความสําเร็จได้มีสุขภาพที่ดีมีทรัพย์สินเงินทองมีเกียรติยศชื่อเสียงมีครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยในในสถานภาพปัจจุบันเนี่ยนี่เขาเรียกว่าให้น้องประโยชน์ตาเห็นให้เขาการคิดให้เขาได้ประโยชน์ในตาเห็นอย่างนี้เขาเรียกได้มีเมตตามโนกรรมทีนี้ขวนขวายออกมาทางกายเลยแต่เนี้ย ไปขวนขวายนําประโยชน์ไปให้เขาจริงๆด้วยใจที่รักปรารถนาดีเอือ้อทอนนี่เขาเรียกหยิบยื่นประโยชน์เขาให้ทางกายหรือในกรณีที่ไปพูดจาให้เขาพูดจาบอกเขาให้เขาได้รับข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเขาจะได้รับประโยชน์ในสิ่งที่เราปรารถนาหรือว่าให้ด้วยพูดด้วยไอ้กรณีนี้เขาเรียกว่าเป็นเมตตาวจีกรรมมองเห็นไหม การขวนขวายในการหยิบยื่นประโยชน์ให้กับเขาจากการที่คิดในใจทำออกมาทางาทางกายแล้วก็พูดออกมาทางวาจาทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอันนี้เมตตามันเกิดจริงๆแบบนี้มันผักออกมาเป็นเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมแต่จุดใหญ่จริงๆคือเมตตาโนก ร, รมกัมการที่จะแค้นให้ต้องใช้คาว่าแค้นนะต้องอปกเราปกเราให้เกิดเมตตาเกิดขึ้นต้องมีใจรัก ต้องมีใจรักรักปรารถนามีใจรักในการที่รักในเมตตาเมตตามันดีจริงๆเราจรึงต้องการทำให้มีให้เกิดขึ้นในกระแสะชีวิตรักจริงๆเนี่ยนะก็คือเพียรเกล้ากล้าอาถรรในการที่จะประคองหรือประคองไม่ให้เมตตาหลุดถอยลงมาฝึกให้เมตตามันพัฒนาการยิร่งๆขึ้นไปแล้วก็จะดจ่อในการที่จะ คิดมานาสิการที่จะทําให้เมตตาเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีปัญญาสอบสวนวิจัยแยกแยะว่าคิดอย่างนี้เมตตาเกิดคิดอย่างนี้เมตตาไม่เกิดเนี่ยหาองค์ประกอบว่าอะไรที่มันจะทําให้เมตตาเกิดได้ง่ายก็คิดหาวิธีการทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นตามกฎเกณฑ์กติกาที่คิดแล้วเมตตาเกิดได้จริงๆอันนี้เขาเรียกว่าใช้พลังตัวเนี้ยใช้พลังของฉันทาวิริยะจิตตาปัญญาเป็นตัวประคองเป็นตัวผักทําให้เมตตาเกิดขึ้นมาให้ได้จริงๆทําได้ไห้เล่า เนี่ยตรงนี้แหละมันสำคัญตรงนี้แหละที่เราจะทำให้มีให้เกิดขึ้นจริงๆยากไหมโยมคนพูดยากหรือคนฟังยากยอมเหนื่อยไหมเมตตาเวลาเจริญเมตายอมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกเวลาฉันมองนะเนี่ยกระแสชีวิตของโยมทุก คนเนี่ยเป็นอาหารเป็นปัจจัยทําให้เมตตาในใจฉันเกิดได้ทุกคนมองไปปุ๊บเนี่ยฉันก็คิดแล้วเนี่ยขอให้มีอายุยืนขอให้มีความสุขทั้งหลายเนี่ยขอปรารถนาสิ่งดใดสมปรารถนาปรารถนาทราบปรารถนาปรารถนาอายุปรารถนาสมบัติในปัจจุบันปรารถนาประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในภพหน้าประโยชน์อย่างยิ่งให้สมปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนันเนี่ยพอคิดอย่างเนี้ยเมตตามันไปจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็คือ ให้เมตตาวิ่งออกไปจริงๆแต่บางคนเนี่ยมันแห้งแรงจะกคิดทำไมคิดก็ปวดหัวใช่ั้มมันไม่ออกเนี่ยผักไม่ออกยอมยอมเป็นคนแรงน้ำใจไหมช่วยแผ่เมตตาไม่ให้พาคนละสิบนาทีาทำได้ไหมอลองทำโดยที่ให้เมตตาเกิดจริงๆนะ วิธีคิดก็บอกเออเนี่ยท่านอุตส่าห์มาพูดกับเรามาให้ข้อมูลแก่เราเนี่ยขอให้ท่านสมปราถนาเนะท่านหวังจะพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ให้ท่านพ้นโดยเร็วพ้นโดยรวดเร็วเถอะพ้นเดี๋ยวนี้ได้ยิ่งดีท่า <c> น <oughs> จะได้จะได้ไม่ต้องมานั่งคุยให้โยมนี่ฟัง <c oughs> แต่ท่านบรร ล, ลมุมรรคผลนิพพานเดี๋ยวนี้แล้วท่านนิพพานเดี๋ยวนี้จะ ห, หนีโยมไปเสีย สิ้นเรื่องหวังอย่างนี้ไหมเข็นยากเหลือเกินอะไรอย่างนี้กระต้นแล้วกระต้นอีกเมตตาทําท่าจะขึ้นก็ตกแแมลงไปแล้วเอาขึ้นมาใหม่ยอมพยุงเมตตาขึ้นใหม่พยายามประคองประองยอมก็ทิ้งตัวเองอยู่เรื่อยเลยยอมอย่าเป็นคนทิ้งตัวเองคนป่วยทิ้งตัวเองก็เห็นไหมย่อมมีความคิดว่าเดินไม่ได้อะคนแก่คนเจ็บบางคนบอกว่าเดินไม่ได้ จบเลยนะเนี่ยหมอเข้ามาดูแล้วว่าเฮ้ยเดินได้เอ้าเดี๋ยวจะประคองขึ้นพอทําท่าประคองพอเขาปล่อยมือทิ้งตัวเองลงอีกแล้วยอมเจริญเมตตาได้ไหมมั่นใจว่าได้ไหมได้ในวันนี้ไหมเดี๋ยวนี้ไหมหรือพรุ่งนี้เดี๋ยวนี้เลยไหมขณะนี้ไหมอ้าวทาไมนั่งซึมๆอย่างนั้นล่ะ เมตได้ไหมยอมจริ่อเดี๋ยวนี้ได้ไหมต้องพูดให้พ้าชื่นใจหน่อยดิ <Yeah. S 1> โออย่างเงี้เอาละฉันโดนหลอกฉันก็ชื่นใจเวลาหลอก <laughs> <laughs> เออให้ได้จริงๆอย่างเงี้ยนะ่ว่ามันทำได้เพราะเพราะเมตตาเป็นนามธรรมเด่มันทำไม่ได้ยอมเคยเซ็งไหมหวางฟังพ้าพูดแล้วเซ็งเบื่ออันนี้เป็นเมตตาไห อันนี้แหละโทสะอที่เซ็งหดหมเป็นถีนามิธาได้วนะแต่จริงมันมาจใหญ่โทสะนี่แหละมันเกิดร่วมกับโทสะเซ็งโอ้เซงเหลือเกินอะไรว่าเมตตาเมตตาอยู่นี่และหน่าเบื่อเกินหนูหน่าเบื่อไหมไม่น่าเบื่อเ น, นีหนูถ้ามีคนบอกว่าถ้าหนูจเจริญเมตตาได้ได้ปรมประชานนะแล้วเขาจะ เขาจะให้เงินหนูหนึ่งแสนเนะี่ยหนูเอาไหมให้แสนหนึ่งเดี๋ยวนี้เลยแต่ต้องทําปฐมบัญชาณที่เป็นเมตตาให้ได้หนูคนไหวไหมผมมีงงอย่างย่ ง, ย ง, งคืออย่างนี้นะว่าเนี่ยต้องการให้เราพยายามฝึกให้เกิดขึ้นให้ได้จริงๆเพราะประโยชน์จริงๆถ้าทําได้จริงจะเป็นประโยชน์มากอดีตทีนี้เมตตาอย่างที่บอกว่าก็คือมี มันจะมีปัญหาของมันก็คือถ้าเป็นเมตตาเทียมขึ้นมามันก็ทําลายใช่มถ้าทันหานั่นเองแต่จริงๆว่าถ้าเราเข้าใจลักษณะของเมตตาอย่างแท้จริงแล้วฝึกให้เกิดได้จะจะเป็นประโยชน์ทีนี้เอาต่อไปก็คือว่าสภาพของเมตตาเนี่ยเราให้นึกถึงว่ายกตัวอย่างในชาดกให้ฟังเรื่องนึง ตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเป็นพญาช้างฉัดทันอันนี้เราจะเห็นในด้านของเมตตาของท่านมีกำลังมากอันนี้เล่าแบบย่อๆเนี่ยตอนที่นายพานโสนุดรนเนี่ยไปไปฆ่าท่านเนี่ยใช้ใช้ลูกศรยิงคือไปอยู่ในหลุมแล้วก็ยิง ยิงตั้งแต่สะดือตั้งแต่ท้องทะลุหลังเนี่ยตอนนั้นเลือดก็ทะลักไหลออกมาเนี่ยตอนนั้นพยาช้างฉัาดทันก็ทีแรกก็ตกก็ร้องด้วยความปวดเจ็บปวดแต่พอตั้งสติได้ก็กําหนดหมายว่าเอ้ศัตรูอยู่ทางทิศไหนพอรู้ว่าอยู่ด้านล่างก็ให้ภรรยาให้ใครออกไปหมดแล้วเนี่ยตัวเองก็ใช้เท้าเขี่ยกระดานออกก็ใช้งวงจับ ในพานโสนดอนขึ้นมาที่จริงโทสะจิตจะเกิดเหมือนกันในตอนนั้นแต่ท่านเห็นภากาสาวพัทที่พันกายที่วรนาสีที่พิพิธภัณฑ์ที่พิพิธภัณฑ์ที่สารานาศจะมาไปเจอรูปปั้นที่เป็นหินแกะสลักเป็นพญาช้างฉัตรทันจับ ใช้งวงจับในพานโสนุดรแล้วงาทั้งสองข้างเนี่ยหักถ้าจดหมายเหตุของพระถังสำจั๋งท่านเขียนไว้ท่านบอกว่าภาพนี้หินแกะสลักเนี่ยมีอยู่ในยุคก่อนที่ท่านจาริกไปนะที่ตรงนี้เขาบอกว่าเมื่อดูหินแกะสลักที่เป็นภาพของพญาช้างฉัตรทันที่ได้มอบงาให้กับในพานโสนุดรเนี่ย เป็นภาพที่เป็นหินแกะสะลักเหมือนมีชีวิตจริงเหมือนมีจิตวิญญาณนะมาไปดนูนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือช้างเนี่ยเขาแกะสะลักขินเนี่ยทำให้ดูเสมอเหมือนหนึ่งว่าช้างมีเมตตามากที่บอกว่าพูดกับในพานน่ยบอกกับเพื่อนเออยหรือสหายเออยท่านมาฆ่าเราเนี่ย ด้วยเหตุอะไรใครใช้ให้ท่านมาเป็นต้นเนี่ยการที่มีพญาช้างฉัาดทันมีสภาพจิตที่เป็นไปกับเมตตาเท่านั้นถึงจะพูดได้อย่างนี้ถึงจะเปล่งวาจาอย่างนี้ได้ถ้ามีคนลุกขึ้นมาขอภัยเอามือตบหน้าเราพัวแล้วยืนมองเราอยู่เราจะบอกว่าเพื่อนเอ๋ย นี่เพื่อนตอบหน้าเราเนี่ยด้วยมีวัตถุประสงค์อะไรใครใช้ให้ท่านมาตบไอ้สภาพจิตต้องดีจริงๆนะคนที่จิตต้องอาโทสต้องมีกําลังจริงๆนะความไม่โกรธก็ดีความเมตตาจิตทั้งหลายต้องดีจริงๆต้องฝึกมาดีจริงๆอันนี้บ่งบอกให้เห็นว่าสังสารวัตรที่ผ่านมาอย่างยาวนานนั้นน่ยบางคนไม่ได้ฝึก เมตตาเลยแต่บางคนเนี่ยโดยเฉพาะพระบริษัทท่านฝึกของท่านมาอย่างนยาวนานแม้ไปอยู่ในอัตภาพของสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ละเมตตาทำแต่ทําไมเราก็เกิดมาไม่เราเกิดมาเนี่ยท่านนับสังสารวัตเรามากกว่าพระพุทธเจ้าแล้วแต่มาวันนี้ทําไมเมตตาเรามาจึงน้อยนิดเหลือเกินเป็นเพราะอะไรเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ก็ใช้สังสารวัตรมาไม่น้อยกว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ เกินท่านมาสองพันกว่าปีแล้วใช่ไหมแต่ทําไมไม่ยังเมตตาจิตให้เกิดขึ้นเป็นเพราะอะไรหรือเราจะเล่นกับสังขารวัตรให้มันนานกว่านี้แล้วก็ปล่อยจิตไปธรรมดาแค่นี้ไม่มีคุณวิเศษใดๆเกิดขึ้นเลยหรือเนี่ยไม่เคยถามตัวเองเลยแสดงว่าสังสารวัตรไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นนะถ้าเป็นแบบเนี้ฉะนั้นต้องตั้งหลักใหม่แสดงให้เห็นชัดเราไม่ได้ตั้งเจตจํานงนะ ว่าให้มันมีพลังขึ้นก็สัตว์เดรัจฉานแท้ๆนะเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดมนุษย์นะอันนี้ในสัตว์เดรัจฉานนะที่พูดเนี่ยทำไมท่านยังเมตตาให้เกิดขึ้นอย่างนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยพระโพิษัทเนี่ยท่านต้องการชี้ให้พวกเราเห็นนะพุทธเจ้าต้องการชี้เราเห็นว่าแม้เราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเรายังทําได้อย่างนี้เลยแล้วพวกเธอเป็นมนุษย์เนี่ยพร้อมที่จะตัดสโลก็ได้ถ้าขนขวายจริงๆ ทำไมไม่ยังเมตตาจิตให้เกิดขึ้นให้แข็งแรงอายเราไหมเนี่ยอะไรเงพุทธยาอายไหมแล้วโอ้ยท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านบำเพ็ญบารมีมามากเราสู้ท่านไม่ได้ก็โยมก็เกิดมากกว่าพระโพธิสัตว์อีกเนี่ยใช่ไหมพบชาติน้อยกว่าท่านหรือน้อยกว่าหรือมากกว่าตอนนี้มากกว่าแล้วหรือมันต้องให้เกิดมากกว่านี้อีก หรือต้องไปเกิดเป็นช้างถึงจะเจริญเมตตาอย่างท่านได้ฉะนั้นจริงๆมันเจริญได้จริงๆทําวันนี้ฝึกรีบฝึกวันนี้นะเร่งข้นขวายทาได้จริงๆนะไม่ใช่พูดเพื่อสิ่งที่มันทําไม่ได้จริงมันทาได้จริงแล้วมีคนทําได้จริงบรรลุได้จริงเข้าถึงได้จริงขออย่างเดียวว่าเราอย่าอย่าอะไรอย่าไปดูถูกตัวเอง เช่นยังไงโอ้ไม่ได้หรอกเราคงทำไม่ได้คนที่เขามีคนที่เขาขนขวายเลี้ยงครอบครัวเนี่ยมีลูกสี่ห้าคนแปดคนสิบคนเนี่ยโอ้เขาไม่ไหวหรอกเขาเลี้ยงลูกไม่ไหวแล้วเขาคิดแบบนี้ไหมไม่เลยเขาบอกไหวแน่นอนเขาจะต้องขนขวายมันมันอันเดียวกันนะเนี่ย แท้จริงก็คือใช้ความเพียรตัวเดียวกันในกรณีการขวนขวายฉะนั้นถึฉันยังเชื่อว่าพวกเราทําได้จริงๆถ้าตั้งใจในการที่จะฝึกฝึกให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะนามธรรมากลุ่มเมตตาเนี่ยถ้าทําแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นมาได้ใช่ไหมให้เด่นขึ้นมาได้จริงๆฉันก็เลยว่ายกเนี่ยกยกยกเพี ย, ยงหนึ่งอย่างว่าเนี่ยพระยาช้างฉลตดทั น, เ, นเห็นได้ชัดเลยว่าท่านบอกสหายเอย นายพานโสนุดรก็บอกว่าพระมเหสีของพระเจ้ากาสีทรงสุบินนิมิตฝันไปแล้วก็บอกว่าแพ้ท้องด้วยอยากจะได้งาคู่นี้ทั้งๆ ท, ที่ไอ้เจ้านี่โกหกพญาช้างชะทันก็รู้อีกนะว่าไอ้นี่โกหกถ้าอย่างเรามีคนมาทุดเทเมามาโกหกตาหน้า ต, ตาเราจะโกรธไหม โกรธใช่ไหมเนี่ยท่านก็ลังอับยับยั้งได้บอกว่าไม่ให้ความโกรธมันโลดแล่นขึ้นมาท่านยังบอกว่าว่าเรียบเร็วๆขึ้นเรียบขึ้นมาตัดงาท่านเสียเดี๋ยวท่านจะล้มเสียก่อนนี้เป็นต้นโอ้โหพอไปยินขึ้นไปขึ้นไปปุ๊บก็ใช้เข่ากระทุ้งที่เนี่ยปากช้างที่มีเนื้อหลูดมาติดตรงงาเนี่ยแล้วใช้เลื่อยสอดเข้าไปในปากก็เลื่อยด้วยความธรมตัตทมแม ตัดเลือดกบปากเลยเนี่ยตอนที่กำลังถูกตัดยอมเคยยอมเคยถอนฟันไหมยอมโกรธหมอไหมถามจริงไม่โกรธเลยเลยไม่ไม่เคยโดนแรงแรงมั้งถอนแบบไม่ต้องฉีดยาชาได้ไหมคิดว่าจะโกรธไหมไม่เหลือเนี่ยลักษณะเนี้ย มันสะเทือนหมดนะแล้วในสุดจริงๆเนะนี่ยเนี่ยกรณีอย่างนี้ก็คือเอามาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเมตตาความรากักความปรารถนาดีเอือ้ทอทรทั้งหลายนะยังใจให้แข็งแรงและมั่นคงให้เกิดขึ้นเอาแล้วตอนนี้จะเป็นภาคในการปฏิบัติใช่ไหมเอาแล้วเดี๋ยวเราจะฝึกในการที่จะเจริญเมตากันนะใครจะคลายเาบีบทสักเล็กน้อยก่อนก็ได้นะ